วันนี้เป็นวันอุโบสถปักท่วนแต่ตามจริงเมื่อวานเป็นวันพระเดือนก้าดับแต่วันอุโบสถมาตกวันนี้ตามปักคณ า, าที่มหมามกุกํกำหนดออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทำอายุติกานิกายของเราเนี่ยจะลงอุโบสถวันนี้พร้อมกันเกือบทั้งหมดก็มีผู้อื่น ลงตามวันพระบ้างก็มีเป็นบางวัดแต่โดยมากจะลงวันอุโบสถวันเนียเมื่อกี้นี่พวกเราได้ฟังการสวดพระปฏิโมกเป็นภาษาบาลีสวดเรื่องศีล227ข้อตั้งแต่ปาราชิกสีจนถึงเสเกียวัตรอธิการณสมธอ รวมนะเป็น227ข้อใช้เวลาเกือบชั่วโมงที่เราฟังทั้งหมดนะถ้าเป็นภาษาไทยขึ้นมาก็ไปอ่านในนวโกวาดตรงกันเปี้ยอย่างนั้นนะหรือว่าเราจะดูในพระปฏิโมกแปลสวดไปข้อที่1แปลว่าอย่างไรข้อที่สองแปลว่าอย่างไรเป็นภาษาไทยก็จะเข้าใจ ถ้าเจ้ายังไม่เข้าใจเพราะมันย่อเกินไปเราควดูวินัยมุกเล่มหนึ่งหรือว่านวกโกวาทแล้วก็ดูวินัยมุกเล่มหนึ่งเพิ่มเขาอีกเราจะเข้าใจชัดขึ้นแต่เราอยากจะรู้ว่าวินัยแต่ละข้อนี้เป็นมาอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูในพระไตรปิฎกในพระสุข เ, เกี่ยวกับวินยัยดูในพระวินยัย เราจะรู้ได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติพินัยแต่ละข้อละข้อนั้นมีจุดประสงค์อะไรมีความหมายว่าอย่างไงทําไมจึงบัญญัติสิกขาบทนั้นๆแต่บางครั้งการบัญญัติสิกขาบทพินัยในยุคนั้นเหมือนกับบัญญัติกฎหมายในยุคสมัยนั้นมันก็ถูกต้องแต่พอมาพอมาถึงยุคนี้ก็รู้สึกว่า การเป็นอยู่รู้สึกเปลี่ยนแปลงไปมากไปคนละอย่างการการเป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่นภิกษุทํากล่องเข็มด้วยกระดูกกดีด้วยงากดีด้วยเขากดีต้องฝ่าจิตดีต้องทำลายซะก่อนจึงจะแสดงอับบัตจบถึงแสดงอับบัตตกเนีแต่ตามไม่จริงในยุคสมัยนี้ไม่มีใครที่จะไปทําเขาทํางา อะไรมาเป็นกล่องเข็มว่า ง, งั้นะเอ่โดยมากองเข็มใส่เล่มเดียวก็เย็บไเยบใส่ผ้าเรื่อว่าเอาใส่แก้วห ล, หลอดหลอดอะไรมีตังเยอะแยะไปเอออันนี้ก็ในยุคสมัยนั้นก็ว่าทําอะไรแค่ๆว่ามันเฮ็ดกันว่า ง, งั้นแตอผมมาถึงยุคนี้เราก็หลายๆอย่างเกี่ยวกับวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พระนั่นท่านจึง บอกกับพระอานุนว่าดูก่อนอานุนเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วชิคขาบทเล็กๆน้อยๆพวกเธอเห็นว่าไม่จำเป็นสำคัญก็ให้ถอนได้นะอันนี้คือพระพุทธเจ้าสั่งเสียกับพระอานุนแต่พระอานุนไม่ได้ถามว่าอาบัติเล็กน้อยนั้นคืออะไรอันนี้เพื่คือท่านพระอนุนเป็นจุดบุกพ้อง พอต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปได้สามเดือนพระมหากัจจปะที่เป็นประธานสงก็ได้ไปชุมสงแล้วก็พระพุทธเจ้าสั่งอะไรไว้บ้างพระอนุนกับปารุษเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าอาปัตเล็กน้อยถ้าหาว่าสงเห็นพร่องต้องกันแล้วก็จะถอนถอด ถ, ถอนก็ได้แต่พระมหากัจจปะถามพระอา น, นุ์ว่าท่านอา น, นุ์ได กราบทูลพระพุทธเจ้าไม่ว่าทิ่ขาบทเล็กน้อยนั้นเล็กน้อยขนาดไหนจุดไหนอย่างไรพระนลบอกว่าไม่ได้กราบทูลพระองค์เพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระพุทธองค์จะปร่งสังขารก็เลยไม่มีแก่จิตแกใจหรือว่าจิตใจบาบีอ้างว้าง อ, อ่ใาใครทว่าจิตใจคิดแต่ถึงพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ถามแทนที่ในเรื่องนี้ พระสงฆ์ก็ปรับอาบัติแก่พระอนเนเ์รปะว่าขาดตกปกพ้องท่านพระอานุ์ก็ยินดีรับแสดงอาบัติจากนั้นก็ปรึกษากันว่าอาบัติเล็กน้อยนั่นคืออะไรบางองค์ก็ว่าอาธิกรณ์อธิกรณ์ออกบทเสขียวัตรออกหมดประเทศนิยะออกเสขียวัตรออกผลี่สุดก็เลยต่างคนต่างมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทั้งที่ท่านเหล่านั้นเป็นพระอระหันต์ทั้งหมด5้าร้อยองค์ที่ทำทา ง, งขายนาครั้งแรกขนาดเป็นพระอรหันต์ท่านยังความคิดทิฐิตรงนี้คือความเห็นเนี่ยยังไม่ตรงกันบางองค์ก็เอาทิขามบดนั้นออกบางที่ก็ทิขามบทนี้ออกผลที่สุดก็เลยไม่เป็นเอ ก, กฉันพระมหากัสปะก็เลยรวบยอดเลยเนี่ย เอาอย่างนี้ดีไหมถ้าว่าเราจะถอนไปก็กลัวไม่สม่ำเสมอกลัวจะที่นั่นลุ่มที่นี่ดอนจะไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้คงไว้ตามเดิมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วให้คงไว้ตามเดิมไม่ถอนได้ไหมดีไหมพระสงฆ์ก็เลยลงมติเป็นเอกฉันบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้ว ล้วนแล้วต่มีสาระมีประโยชน์ก็ควรจะคงไว้ตามเดิมท่านนั่นก็เลยพระวินัยศีลของพระสงฆ์ก็เลยคงไว้ตามเดิมตั้งแต่บัตรนั้นอ่นะก็ไม่ได้มีการถอดถอนไม่มีใครต่อมาหลังมาก็ไม่มีใครที่จะถอดถนะอนคงไว้ตามเดิมแต่ก็ได้ทราบบพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอัาบัตรเล็กน้อยที่จะถอนึนนกถอนได้ แต่นี้กลัวถอนแล้วไม่เป็นธรรมก็เลยคงไว้ตามเดิมอันนี้คือพระวินัยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้เพราะนั้นพวกเราอยู่สุดท้ายปลายแดนมาถึงจุดนี้อย่างนี้เมื่อเราได้ศึกษาในศีลาจารวัตรด้วยศีลของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไปแล้วพวกเราก็ควรจะปฏิบัติ ให้ตรงต่อหลักธรรมวินัยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตรงต่อหลักธรรมวินัยจิตใจของเราก็มันต้องคล้ายๆกับว่ามันมีมลทินอยู่มันไม่สบายใจสิ่งที่ไม่สบายใจนั่นแหละคือมลทินคือผงธุลีที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเราเมื่อผงธูปีเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วทําให้จิตใจของเราเศร้าหมอง จิตใจของเราไม่ผ่องใสจิตใจของเราพวักพวนกับสิ่งที่เราได้กระทํานั้นเพะฉะนั้นทำให้จิตใจของเราจะนั่งสมาธิภาวนาเดินปัญญาวิปัสสนาอะไรก็ทำให้จิตใจของเราไม่เดินดุดหน้าไปเท่าที่ควรเพราะว่าใจของเรามันมีเครื่องลากจูงแะเป็นเครื่อง่วงเหนียว จีดแจงของเราอยู่เพราะนั้นออครูบาอาจารย์ท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดในหลักพระวินัยถ้าว่าเราอยู่ในพวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วออจิตใจของเราจะมีความร่มเย็นผาสุขหลวงปู่มั่นท่านเคยกล่าวตักเตือน ลูกศิษย์ของท่านในยุคสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าขอนยุงขอนยางมันไม่เข้าตาคนหรอกแต่ผงทโลดีที่มันเล็กๆน้อยๆที่พวกเรามองไม่เห็นเนี่ยนะมันเข้าตาของเราทําให้ตาภิกษุรือโมฆาภิกษุบุรุษตาฟางตาฟางคล้ายๆกับว่า ศีลาเจ้าจารวัตเล็กๆน้อยๆนียน่ยที่เรามองข้ามเนี่ยทำให้มันเป็นมนทินเข้าสู่จิตใจของเราทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองจุดความประสงค์ขององค์หลงปู่มันเพราะฉะนั้นท่านจึงรักษาวินัยเข้มงวดขวดขันท่านไปในสถานที่ใดโดยมากจะมีมหาขันเล่มหนึ่งพระปฏิโมกเล่มหนึ่งติดตัวท่าน หรือติดคณะสงฆ์กลุ่มนั้นไปด้วยเกือบทุกครั้งแต่สมัยผมเป็นพระเล็กเนนน้อยพระไตรปิฎกยังไม่มีในยุคสมัยนั้นเห็นครูบาอาจารย์ถือมหาขันเล่มหนาเปึกเกเล่มหนึ่งนะและกะบุษพสิขาเล่มหนึ่งและก็ปฏิโมกเล่มหนึ่งไปโดยมากท่านจะถือศึกษาวินาันถ้าว่าใครมีความขล่องใจตรงไหนในสิทธิอนุสิทธิท่านก็จะเอา บุกพระศิขามหาขันนั่นออกมายืนยันออกมาอ้างจรต่อมานี่ก็มีหนังสือนวโกวัตเป็นในเล่มหนึ่งเล่ม2เล่ม3ามจากนั้นก็มีพระไตรพิดกออกมากระไดศึกษาก็เป็นที่เข้าใจกว้างขวางเพราะนั้นเรื่องการที่จะพูดกันเรื่องวินัยก็รู้สึกว่าน้อยลงมาเกีคยว่าต่างคนก็ต่างรู้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งองหลวงตา มหาบัวในะท่านก็ไม่ค่อยพูดเรื่องเกี่ยวกับวินยัยเราได้ฟังในเทปโดยมากถ้าหางว่าท่านเทศก็ท่านแต่มีแต่เทศธรรมะในภาคปฏิบัติแต่เรื่องพระวินัยนั้นท่านก็มั่นใจว่าพวกเราทุกองจะต้องศึกษาเพราะในศีลของตนเองจะให้ใครเป็นคนบอกเพราะในหนังสือก็มีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกก็มีอยู่แล้วนวากววาดก็มีอยู่แล้วแล้วก็อ่านเข้าใจภาษาไทยทุกคนทุกอง ถ้าไม่เข้าใจกเ็เป็นบางประเด็นเป็นบางประโยชน์ที่ไม่เข้าใจก็ต้องสืบสอบถามครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ที่ท่านเข้าใจอันนี้แปลว่าผู้เข้ามาศึกษาให้สนอกให้สนใจเกี่ยวกับวินัยพราะวินัยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วอยู่ในหนังสืออยู่แล้วมันต้องศึกษาแต่ส่วนธรรมะภาคปฏิบัตินั้นต้องอาศัยครูบาอาจารย์ เป็นผู้ชี้นําเป็นผู้ชี้แนะเพราะธรรมะเป็นเรื่องเป็นของละเอียดจะเรื่องสมาธิอย่างนี้มีแง่ ม, มุมหลายหลาประเด็นไม่ใช่อยู่อยู่ในตําราอย่างเดียวอยู่ในตาําราท่านก็พูดแบบว่าสมาธิเพียงตั้งใจมั่นสมาธิคือตั้งใจมั่นมันก็ถูกนะแต่ว่าในเล่หเลี่ยม ใ, ในแง่ ม, มุมในสมาธินั้นจะต้องได้ศึกษาได้หลายอย่าง ปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารท่านพูดเพียงแค่นั้นแต่การพิจารณาทางด้านปัญญานั้นมีหลายแง่หลายมุมกว้างขวางเรื่องปัญญาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะชี้นาในภาคปฏิบัติในเรื่องภาคปฏิบัติทางจิตตภาวนาแต่ส่วนพระวินัยนั้นอยู่ในตำรับตำราพร้อมอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราทุกองนะ ที่จะบวชในพ ร, พระพุทธศาสนาเป็นนักบวชอาชีพเพราะ ง, งั้นเอะเป็นนักบวชที่จะอยู่ตลอดไปก็ให้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิทย์ใให้เขาอเข้าใจในวิัยและกรทาเป็นไปได้ไหะให้พยายามสวดปฏิโมกให้ได้อันนี้คือหน้าที่ของพวกเราผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าควรจะสวดปฏิโมกได้และกเรื่องวิทยใ ทั้งหลายก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าจะฝูงขึ้นมาเมื่อไหร่พวกพระถูกน้องทั้งหลายได้มาศึกษาได้มาไต่ถามเราก็จะตอบได้โดยไม่เคอะเขินเพรเราได้อ่านได้ศึกษาจนช่ำชองจนเข้าเป็นที่เข้าใจแล้วฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์นั่นแหละ เตียงพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้ญญาบัญญัติก่อนที่จะบัญญัติวินัยพระพุทธองค์ก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันคือท่านก็มองดูอดีตอดีตความเป็นมาจากพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆองค์ก่อ น, ก, อนก่อนที่พระพุทธเจ้าตัสรู้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับกกุขันโทโกโน ค, นนคัโคมโนกัจโปลโคตโมท่านทํำยังไงมาก่อนแต่กัจโปลสิ ร, ริสำปนโน อายุของท่านอายุยืนถึงสองหมื่นปะีนะอายุยืนถึงสองหมืนปีในยุคนั้นนะตอนนี้พอท่านอายุยืนพวกลูกศิษย์ที่บวชสุดสุดท้ายปลายภายหลังองค์สุดท้ายนะ่ะได้ศึกษาวินัยกับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ศึกษาได้ฟังเข้าใจในพระวินยัยตอนนี้ท่านก็อายุยืนถึงสองหมืนปีแล้วท่านกรสอนลูกศิษย์ไปอีก เป็นที่เข้าใจอีกช่วงอายุสองสามชั่วอายุคนมันนานจักเท่าไหร่อันนั้นคือท่านวางศาสน า, าไว้ท่านไม่มีกําหนดท่านไม่ได้วางพระวินัยเอาไว้แต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราโคตมะอายุเพียงร้อยปีเป็นอายุไขเพราะฉะนั้นท่านจึงวางพระวินัยเอาไว้ให้พระสงฆ์สวดพระปฏิโมกเนี่ยนะวางพระวินัยเอาไว้ให้เป็นแนวทางพระพุทธองค์บอก สัตพระสงฆ์ว่าดูกนสงทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วทำและวินัยนั่นแหลจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตหรว่เป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายคือให้ยึดหลักธทรำรวินยัยเป็นศาสดาเป็นภาคปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์จากนั้นท่านก็วางพระวินยัยวางศีลเอาไว้มัญญัดเป็นขั้นตอนเป็นหมวดหมู่ ปราชิกสี่สังฆาธิเศษสิบสามอนิยตสองท่านจัดเป็นหมวดหมู่เพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าอายุเพียงร้อยปีผู้เข้ามาบวชมาศึกษาศึกษาหลักธรรมในในถ้าว่ารักษาอยู่ได้องค์นั้นก็อยู่ร้อยปีก็ตายไปศาสนาถ้าไม่บัญญัติเอาไว้ศาสนาก็เพียงสองร้อยปีถ้าสอนไปอีก องนั้นก็สอนปีกพอสามร้อยปีกความจําก็เลือนลางไปแล้วทีาะมันไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ เ, เพราะฉนั้นท่านจึงจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้ท่องบนซัดสาธยายสืบมาเป็นทอดทอดทอดทอดผลในสุด ก, ก็ได้เขียนลงในพระไตรปิฎก อ, อย่างทุกวันนี้นี่แหละการวางศาสนาหรือว่าการวางหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราได้ศึกษาอยู่นี่คือท่านวางลักษณะอย่างนี้แต่องค์ก่อนอย่นงอย่างพระพุทธเจ้ากัตริยอย่างที่กล่าวมาท่านไม่ได้วางเพราะอายุคนยืนยืนสมัยทุกวันนั้นสมัยนั้นอันนี้ก็คือท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะถ้าเราเราจะไปคิดว่าทำไมพูุทธเจ้าจึงอายุยืนคนทำไมจึงอายุยื น, นขนาดนั้นถ้าเราเกิดในยุคนั้นเราก็คงจะรู้นะ อันนี้กัเราก็ว่าตามหลักว่าตามหลักกฎเกณฑ์ในตามหลักพระธรรมวินัยคนมันมีอายุยืนสั้นเอมันไม่เหมือนนั่นหรอกอแต่อายุของหมาเนี่ยกับมึงก็ยังสั้นกว่าคนนะ อ, อายุแต่ละสัตว์แต่ละประเภทมันต่างกันมัน เ, เป็นยุคเป็นสมัยของมันหมาถึงอายุสิบขวบปีเนี่ยฟันหมดเลยฟันหลุดมดดา ง, งั้น ทำไมไมันถึงฟันหลุดสิบกว่าปีแต่บางคนยังสิ์เกือบสี่สหปียังฟันยังค่อยออกทำไมมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เพราะว่ามันเป็นตามยุคตามการตามสมัยของมนุษย์ของสัตว์ติฏฐชาันอันนี้ก็มาพูดถึงเกี่ยวกับวิพระวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ก่อนนั่นละ่ะวางกฎเกณฑ์สาหรับวางให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติพวกเราก็ได้นาพระธรรมวินัย มาประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาทุก15าคและก็มีการสวดพระปฏิโมกสาธยายให้การฟังครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการท บ, ท, บ, ท, บทวน เ, เป็นการทบทวนสินของตัวเองนะว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างไรนะอย่างน้อยก็ให้เป็นที่รับรู้รำทราบกันว่าสินของเราเนี่ยสองร้อยยีสิเข้อนะ ส่วนไทยจะไปทบทวนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็กเป็นหน้าที่ของแต่ละองค์นะอันนี้คือวันนี้เป็นวันมุมโบสดกัปาลบเรื่องเกี่ยวกับวินัยความเป็นมาสำหรับพวกเราทุกๆองค์ที่เป็นพระสงฆ์กระพร้อมกันให้ทั้งอกตั้งใจนะภาวนาอันนี้ก็เอาพรรษามาก็ดเดือนกับ15วันแล้ว ถ้าจะว่าไปกับครึ่งแล้วนะครึ่งสามเดือนครึ่งแล้วแบ่งครึ่งแล้วว่า ง, งั้นเถ่ะเรา ท, ทบทวนดูสิว่าเราได้อะไรบ้างในการบวชในครั้งนีนะ้อยากจะให้พวกเราทบทวนเหมือนกับไปเราพวกเราไปทํามาค้าขายนะั่นแหะเราไปทํามาค้าขายเรามีแต่ไปมีแต่ทํางานเราไม่ได้ทบทวนว่าได้กําไรขาดทุนอย่างไร อันนั้นแปลว่าพ่อค้านั้นยังไม่ไม่ใช่พ่อค้าที่แท้จริงแต่พวกเราก็เช่นเดียวกันการบาบวชในพุทธศาสนาสามเดือนเราเรามาถึงกลึงเดือนแล้วกลึงสามเดือนแล้ว เ, เดือนกับครึ่งแล้วเราได้อะไรบ้างท่านเราไม่ได้อะไรเราก็ควรจะวิ่งเต้นค้นขวยพยายามทำจิตพยายามภาวนาตามหลักแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมสั่งสอนพวกเราจากนั้นก็เอาจริงเอาจังผม ว, ว่าความสงบทางจิตใจนั้นคงไม่เหลือวิสัยทางว่าพวกเราทําจริงจังนะแต่พวกเราทําไม่จริงไม่จังอย่างว่าเราเลาะเลยแไปเป็นวันๆไปแล้วก็จบไปแล้วจะ ต, าานตำนาตําหนิหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าสอนยังไงก็หม่ยรู้ทำยังไงก็หม่รู้เข้าไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร เพราะเราเข้ามาเราไมไ่ไม่จริงจังไม่ส่อแสวงหาที่จริงจังไม่ค้นคว้าที่จริงจังมันก็เลยไม่พบของจริงคนอื่นเขาไปทํามาค้าขายเขาล่ํำรวยมาแต่ตัวเองไปแล้วก็ขี้เกียจไม่ส่องแสวงหาทรัพย์กลับมาบ้านเขาไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะมีช่องทางที่จะหาเงินหาทองได้ผลในที่สุดก็ไม่ได้เงินคําทรัพย์สมบัติ ถ้าว่าใครไปสังเกตแล้วก็สอบแสวงหาทรัพย์คนนั้นก็จะได้ทรัพย์อันนี้ผมเหมือนกันนะั่นแหะถ้าพวกเราเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่พวกเราตั้งอกตั้งใจใประพฤติธปฏิบัติผมว่าความประทับใจเรียกว่าความภาคภูมิใจในตัวพวกเราท่านทั้งหลายต้องมีแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งวันนี้ก็พูดเพียงกรนี้ต่อไปนี้ก่อนสุดท้ายปฏิโมกข์แล้วก็ อยากย้ายกันกลับ